ขอนอบน้อมบูชาคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถวายความเคารพและขอโอกาสเพื่อนสัรยมิกจะเรินพรแม่ชีและญาติโยมทุกคนเชาน้านี้อาตามาจะบรรยายธรรมเรื่องนิพพานซ้ำอีกครั้งหนึ่งก่อนบรรยาย ขอให้พวกเราทุกคนทำสมาธิกันก่อนซึ่งถ้าโดยทั่วไปแล้วขณะนี้ที่ทำกันได้ก็คิดว่ายกมือ14จังหวะหรือถ้าใครยังทำแบบนี้ไม่ได้ก็ให้ทำสมาธิแบบตามลมหายใจจะมีคำบริกรรมหรือไม่บริกรรมก็ได้หรือวิธีใดวิธีหนึ่งก็ได้ตามที่เราเห็นว่าถนัดนานสนาทีเริ่มทำได้ ครบสามนาทีแล้วออกจากสมาธิได้ครับคำว่าพระนิพพานหรือนิพพานนี้นั่นคือสภะาะวะธรรมของจิตที่ไม่รู้สึกว่าเป็นทุกข์ไม่รู้สึกว่าเป็นสุขแต่เป็นจิตที่ปกติสงบนิ่งว่างเฉย ซึ่งขนาดนั้นแม้จะมีความคิดอะไรอยู่ก็ได้ข้อสำคัญว่าความคิดที่คิดอยู่นั้นไม่คิดให้จิตเป็นทุกข์ก็แล้วกันครับทีนี้นับจากเวลาที่เราได้ทำวัดสวดมนต์ที่ผ่านมาจนกระทั่งถึงเวลาที่เราได้ทำสมาธินี้อาตมาเชื่อว่าทุกคน จะต้องมีจิตที่ไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นสุขแต่เป็นจิตที่ปกติสงบนิ่งๆว่างๆเฉยๆมีอยู่แม้จะช่วงเวลาสั้นแป๊บเดียวก็ถือว่าก็ใช้ได้ครับแต่คิดว่าคงไม่ได้แป๊บเดียวแน่เพราะเราสวดมน์ก็เกือบสามสิบนาทีแล้วนั่งทำสมาธิอีกสามนาที แต่อัตตมาจะไม่ต้องถามพวกเรากันนะว่าใครได้เห็นจิตที่ไม่มีความสุขไม่มีความทุกข์แล้วก็เป็นจิตที่ปกติเป็นจิตที่สงบนิ่งๆว่า ง, างๆเฉยๆอาตมาจะไม่ถามนั่นแหละภาวะของเราคือภาวะของจิตนะนะแต่จะพูดก็เนื่องจากว่าการพูดธรรมะยังต้องใช้ สมมุติยังต้องใช้บัญญัติกันอยู่ซึ่งบางครั้งอาจจะต้องเรียกกันว่าเราบ้างหรือว่าจิตบ้างอันนี้ถือว่าเข้าใจกันเพราะถ้าโดยธรรมะชั้นสูงกันแล้วพูดกันแล้วมันไม่มีตัวเรามันไม่มีของเราแต่จำเป็นต้องใช้บัญญัติต้องใช้สมมุติเรียกเพื่อเข้าใจกันครับนั้นขณะที่จิตของเราไม่มีความรู้สึกว่าเป็นทุกข์ไม่มีความรู้สึกว่าเป็นสุข แต่เป็นจิตปกติเป็นจิตที่เฉยเฉยนิ่งนิ่งว่างว่างแม้จะมีความคิดอะไรก็ไม่เป็นไรแม้ในขณะเราสวดมนต์ก็ถือว่าเป็นความคิดปนอยู่ด้วยถ้าจิตมีลักษณะอย่างนี้นั่นแหละจิตนั้นได้สัมผัสกับนิพพานแล้วหรือถึงกับนิพพานแล้วหรืออยู่กับนิพพานแล้วที่พูดอย่างนี้คือเพื่อต้องการจะให้พวกเราได้รู้จักคำว่า นิพพานนี่คืออะไรซึ่งจะมีพูดกันมากเหมือนกันแต่ว่าอาจจะไม่เหมือนกันแต่ว่าถ้าตามคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าแล้วนั่นก็คือถ้าเป็นนิพพานแล้วต้องนิพพานชนิดที่ว่าจิตไม่เป็นสุขจิตไม่เป็นทุกข์แต่จิตปกตินิ่งนิ่งว่างว่างเฉยเฉยสงบนั่นถือว่าจิตได้สัมผัสกับนิพพานแล้วครับ ทีนี้ไอาการที่ว่าเราได้รู้จากครับเดี๋ยวขอยอดนิดหนึ่งคือเนื่องจากว่าคนเราเนี่ยคือจิตของคนเราโดยทั่วไปแล้วเนี่ยจะไปรับรู้รูปไปรับรู้เสียงกลิ่นรสผลตภะธรรมารมคือหกอย่างนั้นแต่เรื่องสภาวะนิพพานนั้นโดยทั่วไปแล้วคนเราจะไม่รู้จัก เพราะมันส ง, งบนิ่งว่างซึ่งละเอียดมากครับอันนี้คุณโยมก็คิดว่าคงจะเห็นด้วยเพราะโดยทั่วไปแล้วคนเราจะรู้จักเนี่ยรูปเสียงกลิ่นรสพุพทธะธรรมารมณ์แต่พระนิพพานหรือนิพพานนั้นน้อยคนที่จะรู้ด้วยตัวเองนอกจากว่าได้ฟังคนอื่นมาบอกหรือว่า ได้อ่านหนังสือมาครับอันนี้เมื่อเรารู้จักนิพพานแล้วว่าเป็นอย่างไรก็ทีนี้ก็จะเป็นการง่ายในการที่เราจะปฏิบัติเพื่อให้บรรลุนิพพานกันได้นิพพานชนิดนี้เรียกว่าเป็นนิพพานชั่วคราวแต่แม้ว่าจะเป็นนิพพานชั่วคราวก็จริงแต่ว่ารถของนิพพานอันนี้เหมือนกับรถของนิพพานแท้ คือนั่นคือไม่เป็นทุกข์หรือไม่มีกิเลสมารบกวนจิตและธรรมดาจิตของคนเราโดยทั่วไปแล้วก็เป็นตะพัดสอ น, นั่นคือจิตที่ไม่เป็นทุกข์ที่จิตเป็นทุกข์เนื่องจากว่ามีอุปปกิเลสจอนเข้ามาและอุปปกิเลสนี้ที่จอนเข้ามาก็บางครัง้งบางคราวเท่านั้นเองแล้วก็มาอยู่แป๊เดียวก็ ดับแล้วหรือว่าอาจจะอยู่นานสักหน่อยถึงจะดับเมื่อกิเลสออกไปแล้วจิตก็เป็นปรับพัฒน์สอนตามเดิมนั่นก็คือคาว่าปรับพัน์สอนคือจิตปกตินั่นก็คือนิพพานนั่นเองเพราะนั้นถ้าพูดกันแล้วในจิตของคนเราโดยทั่วไปกันแล้วมีทุกข์กับนิพพานเท่านั้นซึ่งสุขนี้ก็ถือว่าทุกข์เหมือนกันในทางธรรมทั้งทุกข์ทั้งสุขถือว่าเป็นทุกข์ เพราะนั้นจิตของคนเราก็มีอยู่สองอย่างคือทุกข์กับนิพพานครับทีนี้เมื่อเราได้รู้จักสภาวะจิตที่สัมผัสกับนิพพานแล้วว่าเป็นอย่างไรซึ่งอันนี้ที่พูดมาถึงตอนนี้คิดว่าพวกเราก็คงจะนึกได้จาได้ว่าเพราะที่ผ่านมาก็มีจิตของเราเป็นอย่างนี้ครับหรือว่ากรณีที่เราไป ตามชายทะเลแม่น้ำภูเขาหรือป่าอย่างเนี้ยเราก็มีจิตที่สัมผัสกับนิพพานคือสงบปกติมีมากอยู่เหมือนกันอันนี้ถ้าคุณโยมนึกย้อนดูในอดีตก็มีจิตชนิดนี้ซึ่งนิพพานชนิดนี้ก็เรียกว่านิพพานชั่วคราวเรียกว่าตะทางคะนิพพานอันนี้ที่พูดมานี้เพื่อต้องการ จะย้ำให้เห็นว่าพราะพิฆเนศตัดเอาไว้จริงๆเรียกว่าตะทางฆนิพพานคือนิพานบังเอิญนิพานชั่วคราวนิพานประจวบเหมาะซึ่งนิพานชนิดนี้ธรรมชาติเนี่ยได้ให้มาเราแล้วให้ให้มากับเราแล้วตั้งแต่ที่เราเกิดมาเมื่อเราเกิดมานี้ธรรมชาติให้ทั้งความทุกข์ทั้งความสุขและนิพานมาด้วยในตัวแล้วโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรเลย เรียกว่าได้นิพพานมาฟรีๆกันครับเมื่อเราได้รู้จักนิพพานอย่างนี้แล้วก็เป็นการง่ายในการที่เราจะไปบัติธรรมเพื่อให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานถาวรที่แท้ซึ่งนิพพานถาวรที่แท้ก็เรียกว่า น, นึกคำภาษาบาลีไ ม, ไม่ไม่ได้นะ ว่าเรียกว่าอะไรแล้วนะกับคือ น, นิพพานตีแท้คือ น, นิพพานตีแท้นั้นคือ น, นิพพานที่ว่าจิตหมดกิเลสแล้วสิ้นตณัณหาสิ้นอุปทานสิ้นภพสิ้นชาติแล้วสิ้นตัณหากันแล้วนั่นก็เรียกนิพพ า, านแท้แต่นิพพานที่ชั่วคราวอันนี้ยังมีกิเลสอยู่แต่ว่าขณะที่เกิดก็กิเลสก็ไม่มารบกวนเหมือนกันจิตก็ปกติเหมือนเหมือนกันครับทีนี้เราจะเห็นว่าไอ้ความทุกข์เนี่ย ขณะที่เกิดนั้นมันมีความคิดอยู่อันนี้เป็นหลักตายตัวกันเลยว่าขณะที่จิตเป็นทุกข์นั้นมีความคิดอยู่และเป็นความคิดที่ผิดคือความคิดที่ประกอบด้วยอวิชชาคาว่าอาวิชชานี้ก็คือหมายถึงว่าความคิดที่ว่ามันมาเกี่ยวข้องกับตัวเราหรือของของของเรากับในทุกเรื่องที่เป็นความ คิดที่เป็นความทุกข์มันจะต้องเกี่ยวข้องกับเราหรือของของของเราเพราะถ้าเป็นเรื่องของคนอื่นหรือสิ่งของของคนอื่นแล้วเราจะไม่เป็นทุกข์ตัวอย่างเช่นพ่อแม่ปู่ย่าตา ย, ยายหรือว่าสามีภรรยาหรือว่าลูกคนอื่นก็ตายเราจะไม่เป็นทุกข์ทั้งที่ว่าคนทุกคนที่ตายนั้นก็มีสภาพความเป็นคนเหมือนกัน แต่เพียงแต่ว่าเขาพวกนั้นไม่ได้เป็นเราหรือเป็นเกี่ยวข้องกับเราการณีที่สิ่งของสูญหายเสียหายก็เหมือนกันเช่นบ้านรถยนต์สิ่งของต่างๆสูญหายถ้าไม่ใช่เป็นของเราแล้วหรือของญาติพี่น้องของเราแล้วเราก็ไม่เป็นทุกข์เพราะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเราอันนี้คุณโยมได้พิจารณาดูว่าจริงหรือเปล่า ซึ่งสิ่งของพวกนั้นก็เหมือนกันกันกบของเราทุกอย่างเพียงที่ว่ามันไม่ได้เป็นของของเราเท่านั้นเองอันเนี้ยนั่นคือหลั ก, กาันไปบัติเพื่อจะให้พ้นทุกข์กได้จะต้องมีปัญญาเกิดเห็นว่ามันไม่มีตัวเราแล้วก็ไม่มีของของเราเพียงอย่างไรมีปัญญาว่าไม่มีตัวเราก็ของของเรามันก็ไม่มีอัตโนมัติอยู่แล้วเพราะคำว่าของของเรามาหลังจากที่มีตัวเราแล้วครับ ครับอันเนี้ยจะเห็นว่าความทุกข์ขณะที่เกิดขึ้นนั้นเป็นความคิดคือเป็นความคิดที่ประกอบด้วยอวิชชาดังกล่าวแล้วคือความเรื่องนั้นต้องเกี่ยวข้องกับเราหรือของของเราครับทีนี้เมื่อความทุกข์เกิดขึ้นเมื่อเราได้เปิดธรรมกันแล้วเราก็สามารถที่จะเรียกว่ารู้สึกตัวต่อกายหรือรู้สึกตัวต่อจิตคือไปรู้กายรู้จิต หรือาเห็นกายเห็นจิตกันได้ทีนี้การแ บ, บทธรมก็หมายถึงว่าถ้าไปขึ้นลายกันหน่อยแล้วก็ต้องดูจิตกันบ่อยๆแล้วเพราะความทุกข์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นอยู่ที่จิตและนิพพานนี้ที่จะรู้ได้ก็รู้ด้วยจิตเหมือนกันแล้วก็อยู่ที่จิตด้วยนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็ลงอยู่ที่จิตทั้งหมดไม่ว่าอะไรโลกทั้งโลกนี้ ที่ว่าใหญ่โตหรือจักรวาล น, นี้ทั้งจักรวาลก็รวมแล้วลงมาอยู่ที่จิตทั้งนั้นเพราะถ้าไม่มีจิตแล้วสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเหมือนกับว่าไม่มีไม่มีความหมายอะไรเพราะนั้นทุกอย่างลงที่จิตครับทีนี้เมื่อความทุกข์เกิดขึ้นเราก็มาดูจิตพอมาดูจิตให้ความทุกข์นั้นมันต้องดับอันนี้เป็นหลักตายตัวแน่นอนเหมือนกันเพราะนั้นเมื่อความทุกข์เกิดขึ้น เราก็มาดูจิตหรือว่าความทุกข์ยังจะเกิดหรือไม่เกิดให้ดูจิตบ่อยๆเพราะถ้าเมื่อใดมันมีความทุกข์อยู่เมื่อจิตมาจิตหรือสติมาดูจิตที่เป็นทุกข์อยู่นั้นไอ้ความทุกข์นั้นก็ต้องดับเมื่อดับแล้วสิ่งที่มาแทนนั้นก็คือนิพพานที่อาจจมาพูดแล้วมุติคิ้ว่าในจิตนั้นมีอยู่สองอย่างเท่านั้นเองคือทุกข์กับนิพพาน ให้ดูจิตไปบ่อยถ้าจิตมีความทุกข์อยู่ความทุกข์นั้นต้องดับความทุกข์ดับก็นิพานมาพอ n ิพานมาแต่เราเผลอไอ้ความทุกข์นั้นก็เข้ามาได้อีกถ้าดูเข้าอีกมันก็ต้องดับอีกทีนี้ไอ้การถ้าเราดูอย่างนี้ไปบ่อยๆนานๆเข้าเนี่ยจะมีความเรียกว่าความเคยชินหรือการเป็นอนอัตตโดมัติของจิตก็ทํางานได้ของของเขาเองแม้ว่าเราไม่ เ, เจตนาดู เขาก็ไปดูของเขาเองเพราะมีความชำนาญในการดูในการเห็นแล้วทีนี้เมื่อเราทำไปนานๆ น, นิพพานนี่นะก็สามารถที่ขยายเวลาออกไปได้นานมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นอันนี้ปฏิบัติแบบรัดสั้นกันไม่ต้องคิดอะไรกันมากให้ดูจิตบ่อยๆไปทำอะไรก็ให้ดูจิตบ่อยๆถ้ามีความทุกข์อยู่ความทุกข์ตรงดับ คามทุกดับกับนิพพานก็เข้ามาแทนทันทีอันนี้เป็นเรื่องที่ทําได้เรียกว่าลัดชั้นกันครับทีนี้สําหรับการปฏิบัติเพื่อให้เกิดนิพพานถาวรเขาเรียกว่าจำไม่ได้แล้วภาษาบาลีเรียกว่าปฏิเชตจำไม่ได้แล้วครับนิพพานถาวรนั่นคือต้องให้จิตมีปัญญาเห็นว่ากายจิตเนี่ยนามมารูปนี้ ชีวิตนี้หรือว่าที่เรียกกันว่าขันห้าเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรามันไม่ได้เป็นของเรานั้นการปฏิบัติก็คือให้เห็นว่าขันห้าเนี้ยมีลักษณะเป็นไตรลักษณ์นั้นขอพูดย้ําอีกทีหนึ่งเผื่อว่าบางคนอาจารย์ยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องขันห้ามันคืออะไรครับขันห้านั่นก็คือกายซึ่งเรียกว่าทางบาลีว่าเป็นรูปกายนี้หมายถึงรวมถึง การเคลื่อนไหวหรืออิริยาบถของกายด้วยก็ถือว่าเป็นกายลมหายใจนี้ก็ถือว่าเป็นกายเรียกเป็นกายลมเมื่อกายลมหายใจเข้าไปก็ปรุงแต่งเป็นกายเนื้อก็ถือว่าเป็นกายเหมือนกันคือเป็นรูปอันนี้กรณีรูปและกรณีเวทนาคือความรู้สึกของจิตที่รู้สึกว่าเป็นสุขเป็นทุกข์หรือว่าเฉยเฉยอันนี้เวทนา ครับสัญญาคือความสําคัญมั่นหมายว่าอะไรเป็นอะไรเช่นเป็นจําได้เป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของเป็นรถยนต์สําคัญมั่นหมายหรือจําได้หมายรู้นั่นที่ว่าสัญญาสังขารคือความคิดต่างๆนานาที่อยู่ในจิตเรียกว่าสัญญาแล้วอันหนึ่งวิญญาณวิญญาณคือการที่รับรู้คือหรือว่าการรู้ ทางตาทางหูทางจมกูกทางลิ้นทางกายทางใจนั้นเรียกว่าวิญญาณก็มีอยู่หกทางอยู่ครับเพราะการแบกธรรมเราจะต้องไปรู้เห็นรู้จักสภาวธรรม ท, ที่เป็นขันหานี้จริงๆถ้ามานั้นแล้วถ้าเราไม่รู้จักขันห้ากันตามสภาวธรรมแล้วก็ไม่สามารถที่จะแบกธรรมเพื่อหเห็นขันห้าเป็นใจลักได้ครับ เมื่อเราเห็นแล้วการเห็นอย่างนี้หมายถึงว่าให้เห็นแล้วเห็นอีกนะครับเห็นจนว่าเห็นแล้วเห็นอีกเห็นแล้วเห็นอีกเห็นขันห้ากันพอไปถึงจุดหนึ่งจิตเขาจะยอมรับความไม่เที่ยงที่เกิดขึ้นกับขันห้านั่นหมายถึงว่าถ้ามีเรื่องเกิดอะไรขึ้นขึ้นมาจิตก็เป็นปกติด้วยเฉยได้เพราะเขารู้ว่าขันห้าเนี่ยมันไม่เที่ยง พูถึงว่าขันห้าแล้วในโลกนี้ก็มีอยู่เนี่ขันห้ากับนิพานนั่นแหละสองอย่างเพราะขันห้านอกจากว่ามีในตัวเราแล้วข้างนอกก็มีเหมือนกันแต่ในตัวเรามีครบทั้งขันห้าแต่ข้างนอกอาจจะมีขันเดียวหรือสองขันสามขันแต่ว่าถ้าในตัวเราเนี่ยครบห ม, หมดทุกอย่างแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ขันห้าในตัวเราแล้วขันห้าที่อยู่ข้างนอกเราก็สามารถที่จะรู้ได้นั้น เมื่อเราเห็นว่าขันห้าเนี่ยมันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงเนี่ยซึ่งก็ดูกันไม่ยากแต่ว่ามันยากตอนที่ว่าให้จิตยอมรับคือเกิด ค, ความยอมรับหรือว่าเคารพเชื่อฟังนับถือความไม่เที่ยงคนรุ่นก่อนก็ใช้คาว่าพระนิจจังกันเลยพระอนิจจังใช้คาว่าพระด้วยนะให้ความสำคัญ มเมื่อเกิดอะไรเราก็เฉยได้เพราถือว่ามันไม่เที่ยงแล้วก็รู้ไว้ล่วงหน้าไปหมดแล้วปัญญาของเรารู้ไว้ล่วงหน้าแล้วว่าอะไรที่มาเกิดขึ้นทั้งหมดมันก็ไม่เที่ยงทั้งนั้นแหละทีนี้ถ้ากรณีเราปฏิบัติเห็นขาดห้ามันเป็นทุกข์เราก็เคารพเชื่อฟังไอ้ความเป็นทุกข์คือความทนสภาพเดิมไม่ได้หรือความทุกข์ในเรื่องเกิดเรื่องแก่เรื่องเจ็บเรื่องตายพบกับสิ่งไม่รักทัดพลากจากสิ่งที่รักต้องการสิ่งใดแล้วไม่ได้ปรารถนา เราคิดว่านี่ก็เป็นปกติเพราะจิตก็ต้องยอมยอมรับถ้าจิตเขาไม่ยอมรับเขาต้องเป็นทุกข์ซึ่งไปบัตรรมมาถึงระดับหนึ่งแล้วแน่นอนเพราะจิตเขารู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งรู้เรื่องภาวานิพพานแล้วถ้จิตไม่เป็นทุกข์เขาก็ยิ่งไม่ต้องการเป็นทุกข์มากๆเพราะฉนั้นก็ต้องยอมรับอัตโนมัติอันนี้เป็นเรื่องของเรียกเป็นไปโดยธรรมในทางธรร ม, มากหือว่าเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยคืออีทัพยตา เือกนี้เราไม่ต้องเป็นห่วงแต่ข้อสาคัญให้เห็นให้มากเห็นแล้วเห็นอีกเห็นแล้วเห็นอีกกันครับทีนี้ให้เห็นว่าขันท่าเนี่ยมีลักษณะเป็นอนัตตาคือไม่เป็นตัวตนไม่ใช่ตัวตนนั้นเมื่อขันท่านี่ยมันมีลักษณะมันไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงมันเป็นทุกข์ทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้ครับเมื่อเราเห็นแล้วเห็นอีกก็จะเห็นว่าเนี่ยมันไม่เป็นตัวตน และถ้ามันเป็นตัวตนมันก็ต้องบังคับบัญชากันได้อันนี้บังคับบัญชาก็ไม่ได้แต่มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเพราะสิ่งในธรรมชาตินี้ทั้งหลายทั้งปวงเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยทั้งนั้นไม่ว่าอะไรนอกจากพระนิพพานที่ไม่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนั่นถือว่าเป็นกรณีพิเศษกันครับเนี่ยการเห็นแล้วเห็นอีกเห็นแล้วอย่างเนี้ยอีกจิตก็จะถอนความยึดมั่นถือมั่น จากความรู้สึกเดิมที่ว่ารู้สึกว่ากายจิตเนี่ยหรือขันห้านียเป็นเราหรือของเราอันนี้เขาถอนอัตโนมัติไปถึงจุดหนึ่งนะแต่ต้องถึงจุดหนึ่งแล้วก็จิตเปลี่ยนจากความรู้สึกเดิมที่ว่ารู้สึกว่ากายจิตหรือว่าขันห้านียเป็นเราหรือเป็นของเราหรือเป็นของกายเป็นของจิตเขาถอนเพราะถ้าเขายึดอยู่ต้องเป็นทุกข์เพราะเรารู้อยู่แล้วว่าความทุกข์ทั้งหมด เพราะเราไปยึดขันห้าว่าเป็นเราหรือของเราหรือเป็นของกายหรือเป็นของจิตแลสะสภาวธรรมที่ปรากฏในการปฏิบัติก็เห็นชัดกันอยู่ว่าไม่มีตัวเราเลยมีแต่ขันห้าแล้วขันห้าเขาก็รู้ตัวของเขาแล้วว่าเขามีลักษณะเป็นอันิ จ, จังเป็นทุก ข, ขังเป็นหน้าตาเขาก็ปล่อยปล่อยวางก็จะไม่มีการยึดมัน่นเมื่อไม่มีการยึดมัน่นในตัณหามันก็ไม่เกิดเพราะที่เกิดตัณหาก็ก็ ความต้องการหรือความอยากนั้นก็เพื่ออะไรก็เพื่อตัวเราหรือหรือของเรานั่นเองในเมื่อปฏิบัติธรรมเห็นว่ามันไม่มีตัวเราของเราแล้วไอ้ตัณหานั้นมันก็หมดไปในตัวอยู่เหมือนกันและไอ้เรื่องตัณหาไอ้ความอยากเนี่ยตัณหาเนี่ยหมายถึงถ้าความต้องการเป็นปกติในทางธรรมถือว่าไม่ใช่ตัณหาถือว่าเป็นปกติมันไม่ใช่เป็นทุกข์เี่เราต้องการไปกินอาหารดื่มน้ําแต่งตัวเรือ้อขับถ่ายต่างๆทําอะไรปกติ ถือว่าไม่ใช่ตัณหาแต่ถ้าเกิดตัณหาคือความอยากที่เกินความพอดีนั้นซึ่งมันเป็นทุกข์เราก็รู้ได้เองว่ามันถ้าเราต้องการอย่างนั้นแล้วเป็นทุกข์หรือไม่ถ้าเป็นทุกข์นั้นแสดงว่าเป็นตัณหาแล้วแม้แต่เรื่องธรรมดาก็อาจจะเกิดตัณหาขึ้นมาได้ครับทีนี้ว่าเมื่อไม่มีตัวเราแล้วแล้วทาไมเราต้องทํางานทําการต้องทําหน้าที่ยังมากมายไกลกองอยู่อี อันนั้นก็ถือว่าก็ทําไปตามเหตุตามปัจจัยของธรรมชาติแม้แต่ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวลมอย่างเนี้ยเขายังพัดไปมาทั้งที่เขาก็ไม่มีกิเลสไม่มีเป็นปัญหาอะไรก็ยังทําไปกายจิตนี้เหมือนกันเมื่อยังมีชุดอยู่เขาก็ต้องทําหน้าที่เรื่องอาหารการกินเรื่องภาระฐต่างๆก็ทํากันไปตามหน้าที่แต่ทําด้วยปัญญาแล้วไม่ได้ทําด้วยแบบมีอวิชชาแล้วคือมีชุดอยู่ ด้วยปัญญาถ้าเมื่อก่อนมีชีวิตอยู่ด้วยอวิชชาบ้างปัญญาบ้างผสมประสานกันอยู่แต่ถ้าเมื่อเราไปบัตธรรมถึงระดับหนึ่งแล้วเราก็มีชีวิตอยู่มีแต่ปัญญาอย่างเดียวแล้วทีนี้เมื่อปัญญามาถึงขั้นเห็นว่ามันไม่มีตัวเราไม่มีของของเราแล้วนั้นในความเกิดความแก่ความเจ็บความตายพบกับสิ่งไม่รักทัดทาจากสิ่งที่รักต้องการสิ่งใดแล้วไม่ได้ตามความปรารถนา สิ่งพวกนี้ก็เป็นของว่างคือหมดค่าหมดความหมายไปนั่นเท่ากับว่าชีวิตที่มีอยู่ก็อยู่เหนือการเกิดแก่เจ็บตายแล้วพ้นเกิดจากการเกิดแก่เจ็บตายได้แล้วไอ้ที่พูดพูดกันนะว่าเนี่ยเมื่อบรรลุธรรมแล้วจะพ้นการเกิดแก่เจ็บตายกันได้อย่างไรก็พ้นกันด้วยปัญญาเห็นอย่างนี้แหละคือมันไม่มีเรามันไม่มีของของเราเมื่อไม่มีเราแล้วไอ้ความเกิดความ แก่ความเจ็บความตายมันจะมาจากที่ไหนล่ะแ้กลายเป็นว่าไอ้ที่เรียกกันว่าเกิดแก่เจ็บตายนี้ก็กลายเป็นไม่มีมออกไปด้วยอันนี้หมายถึงว่าที่พูดกันอย่างนี้นั่นหมายถึงว่าการปฏิธรรมคือจะเกิดปัญญาไปรู้เห็นกันอย่างนี้ซึ่งมันเรียกว่าเป็นสิ่งที่มมหัศจรรย์ที่สุดในโลกก็ได้เพราะไม่มีอะไรมหัศจรร์มากไปกว่า อ้ชีวิตที่ไม่เป็นทุกข์หรือบรรลุนิพพานเตาให้ไปถึงดวงจันทร์ดวงดาวต่างๆมันก็ยังไม่พ้นทุกข์ก็ยังบรรลุไม่บรรลุนิพพานก็ไม่อัศจรรย์เหมือนกับว่ามีชีวิตที่ไม่เป็นทุกข์ถึงแม้จะมีถึงไม่สิ้นที่สุดแห่งทุกข์ก็ไม่เป็นไรมีทุกข์น้อยๆก็ถือว่าก็ดีมากแล้วก็ยังมหัศจรรย์มากกว่าทางวัตถุมากมาย แล้วเมื่อใครนี่นะไม่มีทุกข์หรือหมดตัณหาหมดความอยากแล้วนะนั่นเป็นชีวิตที่ว่าสูงที่สุดเหมือนกับว่าถ้าพูดในทางร่ารวยเปรียบเทียบกันคือร่ารวยที่ที่สุดแล้วต่อให้เศรษฐีทุกคนในโลกนี้รวมกันยังสู้เราไม่ได้ถ้าเราหมดความอยากเพราะเมื่อเราหมดความอยากแล้วนั่นก็คือเราไม่พร่องเราไม่ขาดไม่อะไรแล้วทั้งปวงทั้งสิ้น ผู้ที่มียศสูงสูงหรือว่าเศรษฐีมหาเศรษฐีก็แต่เขายังบกพร่องเ้ายังขาดอยู่เพราะเขายังไม่รู้จักคําว่าพอและถ้าไม่ไปไปฏิธรรมแล้วไม่มีทางที่ใครจะรู้จักคําว่าพอไม่มีทางแล้วก็อย่างหนึ่งที่เรียกไม่ได้คือจะไม่พ้นความแก่ความเจ็บความตายอันนี้เป็นสิ่งที่ว่าผู้ที่มียศสูงสูงหรือคนที่มีฐานะดีดีมากๆ ก, กลัวมากที่สุด คือเรื่องความแก่กับความตายแต่เมื่อเราไปทมได้ถึงระดับหนึ่งแล้วไอ้เรื่องความตายเป็นเรื่องของเด็กๆไปเปของเด็กเล่นไปเพราะถือว่ามันไม่มีสำหรับเราแล้วครับนั่นการปฏิธรรมนะครับหัวใจของการปฏิธรรมคือคุณโยมหรือพวกเราทุกคนปฏิบัติให้ถูกวิธีที่ตรงกับจาริตของเราเพราะการบัดรายละเอียดลงไปแล้วมันก็มีหลายวิธี เป็นการทำสมาธิหรือการวิปัสสนาก็มีหลายวิธีให้ตรงกับจริตแต่ว่าไม่ว่าวิธีไหนก็แล้วแต่ถ้าในเรื่องปัญญาแล้วจะต้องปัญญาเกิดหรือวญญาณเกิดขึ้นมาว่ากายจิตเนี่ยไม่ได้เป็นเราไม่ได้เป็นของเราเป็นของธรรมชาติเป็นท่าตามธรรมชาติที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยซึ่งอันนี้เวลาไม่พอแล้วที่จะพูดถึงเรื่องที่ว่าเป็นธรรมชาติตนวรวดหรือเป็นท่าตามธรรมชาติตัวรวดซึ่งตอนหัวค่าก็ได้พูดไปครั้งหนึ่งแล้ว ซึงอันนี้คุณโยมให้เอาไปพิญามากมากนะซึ่งเป็นการง่ายในการไปบัตรครับนั่นก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาในการบัรยายธรรมในเช้าวันนี้ด้วยอำนาจคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และผลบุญผลกุศลผลธรรมที่เราได้ไปบัตรกันมาแล้วขอได้เป็นเหตุเป็นปัจจัยส่งผลให้เราทุกคนได้บรรลุมรรคผลนิพพาน ในชาตินี้ด้วยกันทุกท่านเทิน